อพอรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กรกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ และมีกิจกรรมพิเศษที่จะมีเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือจะมีการบรรพชาอุปสมบทผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้ได้นั่นก็คือความสุขความเจริญทางจิตใจและความดับของความทุกข์ทางจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของสัตว์โลกได้ที่จะสามารถปลดเปลื้องสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัตถะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้นำทางมาเป็นผู้สั่งผู้สอนสัตว์โลกก็จะต้อง เวนว่าตายเกิดในวัดตะสงสารไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธพระธรรมพระสงค์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะพวกเราทั้งหลายยังตกดอยู่ในห้วงของกองทุกข์ ในความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจที่พวกเราพยายามที่จะดับพยายามที่จะแก้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ที่จะดับได้อย่างถาวรดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาวิธีดับมัน หามาแล้วหาวิธีต่างๆมาแล้วหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ทำอย่างไรมันก็ไม่หายมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนบอกให้เรารู้ว่าเหตุของความทุกข์ต่างๆของเรานั้น อยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆที่มีการเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ มีอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่ที่ความอยากของเราเองถ้าเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆ แต่พอเรามีความอยากแล้วเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะเวลาเกิดความอยากเราก็อยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆอยู่แบบไม่เสื่อมเป็นอย่างไร ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราชอบ กลายเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไปเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของความทุกข์ใจเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้อย่างถาวรเราอย่าไปหลงหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปเวลาที่เขาเสื่อมหมดไป สิ่งที่เราหากันทุกวันนี้ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ลาบ 3. สองยศสสรรเสริญ 4. ความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายแต่สิ่งทั้งสี่อย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่อยู่ไปตลอด มีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาผู้ใดถ้ามีความอยากให้ลาบยศสรรเสริญให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็จะต้องพบกับความผิดหวังจะต้องเสียอกเสียใจ จะต้องร้องโหมร้องไห้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปสั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่จากเราไปเพราะธรรมชาติของในโลกนี้ไม่ได้เป็นไปาตามความอยากนั่นเอง แต่มีสิ่งเนี่ยที่เราสามารถทำตามความอยากเราได้และสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดสามารถควบคุมบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงสามารถสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี่เองก็คือ ความสงบของใจความสงบของใจนี่แหละเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่ลาบยศสรรเสริญที่รูปเสียงกริรลดบทพะจะสามารถมอบให้กับเราได้และเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ อยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีผลิตความสุขนี้ขึ้นมาเราก็จะสามารถผลิตความสุขนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความสุขนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายจาเป็นจะต้อง มีปัจจัยหลายส่วนด้วยกันเช่นลาบเงินทองก็ต้องมีการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีงานมีการให้ทำถึงจะสามารถหาเงินทองมาได้ถ้าขาดปัจจัยใดไปปัจจัยหนึ่งก็จะไม่สามารถหามาได้เช่นถ้าร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยพี่กลนพี่การไปก็จะไม่สามารถหาเงินหาทองมาได้เช่นเดียวกับยศคือตำแหน่งต่างๆสรรเสริญคือความชื่นชมยินดีของผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อมาเสพทางตาหูจมูกนิ้กนกาย ร้นเป็นสิ่งที่เราต้องหากันถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์หรือถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถเราก็จะไม่สามารถหามาได้ไม่เหมือนกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถหากันได้โดยที่ไม่น้องมีปัจจัยต่างๆเพียงแต่เราต้องมีธรรมะมี คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนวิธีให้เราสร้างความสุขทางใจกัน<ม>วิธีสร้างความสุขทางใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าต้องเริ่มต้นด้วยการทำทานคือให้เราแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นเกิน ความต้องการของการดำรงชีพเราควรที่จะเอาเงินทองเหล่านี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้เกิดความสงบเกิดความสุขใจขึ้นมาหรือให้เราช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีที่เราไม่มีเงินทองอย่างเมื่อวานนี้ก็มี ญาติโยมกลุ่มหนึ่งได้มาช่วยกันทำความสะอาดสาลาเหนื่อยเหนื่อยแรงทางร่างกายแต่จิตใจกลับมีความสุขเพราะได้ทำประโยชน์ได้ทำสิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำกันคือเสียสละเวลา เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียสละความรู้ความสามารถเพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการกระทําของเราแล้วเราจะมีความสุขเกิดขึ้นมาภายในใจนี่คือระดับแรกของการสร้างความสุขทางใจ ถ้าเราทำทานช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละใจของเราก็จะไม่อยากไม่ชอบที่จะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจก็จะมีความสนใจที่จะรักษาศีล การรักษาศีลก็คือการไม่ทำบาปนั่นเองการทำบาปมีอะไรบ้างก็หนึ่งคือการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดตัวเวงสี่การพูดปดมดเท็โกโหกหลอกลวงและห้าการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ การกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจสงบไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขแต่จะทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนเพราะจะมีความวิตกกังวลกลัวจะต้องรับผลที่ตนได้กระทำไว้ต่อผู้อื่นทำอย่างใดกับผู้อื่นเราก็มักจะต้องได้รับอย่างนั้นกลับมา ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขกลับมาให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเราก็จะต้องได้รับความทุกข์กลับมาถ้าเราไม่อยากจะได้รับความทุกข์ก็อย่าให้ความทุกข์กับผู้อื่นก็คือให้เราอย่าทำบาป ก, กันให้เรารักษาศีลกันรักษาศีลได้แล้วใจของเราก็จะมีความสงบ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปถ้าความสุขที่เราได้รับจากการทําทานนี้เป็นเงินสิบบาทความสุขที่เราได้รับจากการรักษาศีกก็จะเป็นร้อยบาทมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไม่มีเงินทองเราไม่สามารถทําทานได้เราก็ไม่ต้องไปกังวล อย่าไปเสียเวลากับการไปหาเงินมาเพื่อตะเพื่อที่จะเอามาทำทานถ้าไม่มีเงินทำทานก็ให้รักษาศีลเลยจะได้บุญได้ความสุขได้ความสงบที่มีคุณค่ามากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานแต่ถ้าเรามีเงินเหลือเฟือก็เอาไปทำทาน แล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายเพราะคนที่ทำทานนี้จะไม่ชอบสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการรักษาศีลก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายนี่คือความสุขขั้นที่สองพอเราได้ความสุขขั้นที่สองแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบ เราก็อยากจะทําใจให้สงบให้มากยิ่งกว่านี้การที่จะทําใจให้ให้สงบมากกว่าการทําทานการรักษาศีลเราก็ต้องภาวนาภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นแรกนี้ ถ้าเป็นความสุขเป็นคุณค่าก็เป็นเหมือนเงิน 1,000 พบาท mm hmm. เวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะพบกับเงินที่มีคุณค่าถึง 1,000 บาท mm hmm. วิธีที่จะทำใจของเราให้สงบเราต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดความคิดนี้เป็นเหมือนลิง ถ้าเราอยากจะให้ลิงอยู่เฉยๆเราต้องหาเชือกมาจับมันมัดไว้<ม>กับเสาหรือกับต้นไม้มถ้าไม่มีเชือกมัดลิงลิงมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆ<ม>เที่ยวไปเรื่อยๆใจของเราหรือความคิดของเราก็เป็นเหมือนลิงที่ชอบคิดอยู่ตลอดเวลาเวลาคิดไปแล้วก็ทำให้เกิด อารมณ์วุ่นวายต่างๆตามมาทุกวันน oh e, ี er. ้ที่เราวุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายเพราะเรื่องต่างๆภายนอกแต่วุ่นวายที่ใจของเราเองที่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดแล้วก็เกิดความอยากให้เรื่องราวต่างๆเป็นปายตามความต้องการของเราพอเราไม่สามารถทําให้เรื่องราวต่างๆเป็นปายตามความต้องการของเราได้ เราก็วุ่นวายใจเสียอกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ให้ใจของเราไม่คิดถึงเรื่องต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆนี้บางทีเราก็ สั่งให้เขาทําตามที่เราอยากได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะสั่งเขาไม่ได้เขาก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่างเวลาเราขับรถบนท้องถนนเราจะไปสั่งให้คนอื่นเขาขับรถดีมีมารยาทขับรถอย่างปลอดภัยเราสั่งเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะ ปมาเขาก็ประมาทถึงเวลาเขาจะขับผิดกฎจราจรเขาก็จะทำถ้าเราไปอยากให้เขาขับดีขับถูกกฎจราจรเราก็จะวุ่นวายใจประปราแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆว่าเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เรามาคอยดูแลการขับของเรา ให้ถูกกดถูกระเบียบให้ปลอดภัยก็พอแล้วก็ดูแลใจของเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นใจของเราก็จะมีความสงบได้ที่เราไม่สงบเพราะเราไม่มีเชือ่อที่จะมาคอยควบคุมใจของเราไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆเราจึงต้องหาเชือกมาผูกใจ ชที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี้เรียกว่าสติสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันจะทำให้เกิดสติขึ้นมาเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะผูกมัดใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีพุทโธอยู่ภายในใจอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่สามารถ ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดานี่คือวิธีทําใจให้สงบเรียกว่าทำสมาธิกันเราต้องทําตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งเพราะว่าถ้าเรามาทําตอนที่เรานั่งใจของเราจะไม่อยู่กับที่จะไม่ยอมหยุดเราต้องใช้พุทธโธหยุดไว้ล่วงหน้าก่อนคือเราต้องหักเจริญพุทธโธไปทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเรากำลังทำอะไรถ้าใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงกลับมาหาพุทโธพุทโธท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่กับร่างกายตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนให้ใจอยู่ตรงนั้นร่างกายทำอะไรให้ใจทำกับร่างกายอย่าทำสองอย่างอย่าแยกกัน อย่าให้กายอยู่ที่ตรงนี้แล้วใจก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นใจร่างกายอยู่ที่วัดแต่ใจกลับไปถึงบ้านแล้วไปห่วงบ้านไปห่วงเรื่องงานเรื่องการต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติควบคุมใจถ้าไม่มีสติควบคุมใจใจจะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็จะหาความสุขไม่ได้ต่อให้ได้าดลาบยศสเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่เท่ากองเท่าภูเขาเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่สามารถที่จะมีความสุขใจได้เพราะว่าลาบยศสารเสริญไม่สามารถที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ต้องมีสติเท่านั้นที่จะทำได้ สติจะมีคุณค่ากว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทําใจให้สงบได้ต้องมีสติเพียงอย่างเดียวเราจึงต้องมาเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆไม่ยากเย็นตรงไหนเลยเพียงท่องพุทโธพุทโธไปในใจเท่านั้นเอง อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าเราไม่ชอบพุทธโธเราจะใช้การสวดบทพระพุทธคุณกระดาสวดอิติปิโสอรหังสัมมาไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบเวลานั่งสมาธิจะสวดมนต์ก็ได้ จะบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าเราสามารถมีสติอย่างต่อเนื่องให้ใจบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเวลารวมนี้ก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหวมันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็จะเย็นสบาย ไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้รับรู้มีแต่ความว่างนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรามีสติและปัญญาเพราะเวลาที่ใจเราออกจากสมาธิมา ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้จะค่อยจางไปแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะมาทำลายความสงบให้หายไปหมดถ้าเราอยากจะรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาคือสอนใจว่าอย่าไปทาตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้เป็นการผลิตความทุกข์ ไม่ใช่เป็นการผลิตความสุขการไม่ทำตามความอยากนี้ต่างหากที่จะผลิตความสุขพอจะทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งเฉยได้ทุกครั้งที่มีความอยากแล้วเราฝืนไม่ทำตามความอยากใจของเราก็จะกลับมาสู่ความสงบได้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ เราก็จะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะใจไม่มีความอยากที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะมาพรากจากเราไปได้แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากเอาความสุขของใจนี้ไปได้ พราะใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้สูญไม่ได้หมดไปก็จะมีไปอย่างต่อเนื่องไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขของพระพุทธเจา้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและจะเป็นความสุขของพวกเราต่อไปถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อ เชื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพยายามทำทานอยู่เรื่อยรักษาศีลอยู่เรื่อยแล ะ, จะเจริญสติบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยจนกว่าใจจะสงบเมื่อใจสงบแล้วก็ให้รักษาความสงบนี้ด้วยปัญญาคอยหยุดความอยากต่างๆที่จะมา ชุดลากให้ใจไปเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความวุ่นวายต่างๆพอเราทำได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพิจเจ้าเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริง และถาวรและการดับทุกข์ที่แท้จริงและถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากรรมเถิด